วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารับผลประโยชน์อันจะเกิดขึ้น จากการฟังธรรมประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมนี้มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับ จะทำให้ความสงสัยต่างๆนั้นหมดไป4จะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นองค์ของมรรคองค์สําคัญของมรรคคือสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะมี สัมมาสัมปโปคือความคิดที่ถูกต้องตามมาการกระทาที่ถูกต้องตามตามาการพูดที่ถูกต้องตามมาอาชีพที่ถูกต้องสติความเพียรที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องก็จะเป็น องของมรรคที่จะตามมาตามลำดับพอมีมรรคครบแปดองก็สามารถบรรลุธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้และอา น, นิสงส์ข้อสุดท้ายคือจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขเช่นวันใดถ้ามีความรู้สึกไม่มีความสุขมาฟังเทศฟังธรรมกันเถิด ดีกว่าการไปดูหนังดูละครไปฟังเพลงความสุขที่ได้จากการฟังธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี่คือประโยชน์ห้าประการที่ท่านทั้งหลายจะได้รับจากการฟังธรรม ประโยชน์ข้อที่หนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรือเพิ่งฟังธรรมครั้งแรกก็จะได้ียนเรื่องราวของธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะเรื่องของธรรมนี้เราจะไม่ได้เรียนจากสถานที่อื่นจะไม่ได้เรียนจากโรงเรียนจากมหาลัยจากแหล่งต่างๆ จะเรียนรู้ได้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาธรรมเท่านั้นถึงจะได้รู้เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมคืออะไรก็คือเรื่องของเรานี่แหละเรานี่เป็นอะไรเรายังไม่รู้กันเลยสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเรานี่มันไม่ใช่เป็นเราเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา แต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเราเราเป็นจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายเพื่ออาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆพาเราไปหาความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผพึพะ นี่คือเรื่องราวที่เราไม่รู้กันแล้วจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรม mm hmm. พอเราศึกษาธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา mm hmm. เราเป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณ mm hmm. ที่จะไม่ตายไปกับร่างกาย mm hmm. หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว mm hmm. จิตใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณ mm hmm. ที่จะท่องอยู่ในภพต่างๆของโลกทิพย์โลกทิพย์ก็มีทั้งสวรรค์มีทั้งอบายมีทั้งนรกนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่เราจะไม่ได้รู้ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่า หลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไปอยู่พบไหนในโลกทิพย์กันเราจะไปอยู่สวรรค์หรือเราจะไปอยู่อบายพะเราจะรู้เหตุที่จะพาให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายก็คือบุญและบาปที่เราทำกันนี่แหละที่จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเป็นอะไรต่างๆต่อไป หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็จะได้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็จะได้รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะหลังจากที่จิตวิญญาณแยกออกจากร่างกายที่ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะไปเป็นไปเป็นเทพเป็นพรหมบ้างไปเป็นเปรตเป็นนรกบ้าง แล้วพอกำลังของบุญหรือบาปที่พาให้เราได้ไปอยู่ตามภพนั้นๆหมดกำลังลงเราก็จะได้มามีร่างกายอันใหม่ได้มาเกิดใหม่แล้วก็มาเริ่มทำสิ่งต่างๆมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันใหม่หาความสุขจากราบยศเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากกันนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เราจะไม่ได้รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกัน นอกจากเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วเรายังจะได้เรียนรู้เรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยว่าเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะภพนี้ชาตินี้เรามีผู้รู้คือพระพุทธเจา้าผู้ที่รู้ทาง ที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี่เราจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้นาทาง พาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปสู่มรรคผลนิพพา น, นนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการมาฟังเทศฟังธรรมแล้วพอข้งต่อไปเวลาเรากลับมาฟังธรรมอีกเราก็จะฟังซ้าอีกเพราะเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะต้องคอยฟังคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้ความจริงยังไม่ได้ยังไม่สามารถไปกำจัดความสงสัยต่างๆได้ยังไม่สามารถทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้ ดังนั้นการฟังธรรมหรือการศึกษาธรรมะนี้จึงต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอไม่ใช่ทำเพียงครั้งสองครั้งแล้วก็พอไม่พอต้องฟังไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกาหนดวันฟังธรรมขึ้นมาวันธรรมะสวัสดน์ที่เราเรียกว่าวันพระนี่วันพระนี่เป็นวันฟังธรรม เพราะการฟังธรรมนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งการเลนะธรรมสวนาค์เอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมการที่เราจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างเต็มที่ เราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ายังมีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจอยู่ใจเราก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะใจเราต้องไปรับรู้กับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกายของวาจาและของใจดังนั้น การฟังธรรมที่ถูกต้องนี้ต้องฟังด้วยกายที่สงบหรือต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่ห้ามสำหรับท่านที่ชอบฟังธรรมแล้วก็ทำงานไปด้วยเช่นบางท่านบอกว่าอยู่บ้านทำงานแล้วก็เปิดธรรมะฟังไปด้วยก็ได้ยินได้ธรรมะ เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ครบร้อยเท่านั้นเองเพราะใจจะต้องแบ่งไปที่เรื่องงานด้วยแล้วกลับมาที่ฟังธรรมด้วยใจก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาฟังธรรมครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทำงานครึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็จะฟังไม่ได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ความเข้าอกเข้าใจก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เท่าที่ควรถ้าอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังธรรมจาเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่ควรทำอะไรควรนั่งเฉยๆอย่างที่ท่านกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้วาจาก็ไม่พูดคุยกันเพราะเวลาเราไปพูดคุยกันเราก็จะไม่ได้ฟังธรรม เสียงธรรมก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเพราะใจไม่ได้รับเข้ามาในใจเพราะใจกำลังไปพูดไปคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่ประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่เกิด yeah. mm hmm. เช่นเดียวกับใจที่ต้องสงบ mm hmm. เวลาฟังธรรมนี้ก็ไม่ไปคิ ด, คดเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เพียงเรื่องเดียวติดตามคิดพิจารณาตามจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมา <c oughs> นี่คือลักษณะของการฟังธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์หประการขึ้นมา <c oughs> คือต้องฟังแบบดิ้นกับแกง อย่าฟังแบบทับพีในหม้อแกงถ้าเป็นทับพีในหม้อแกงนี้ทับพีจะไม่รู้รสของแกงต่อให้แช่ทับพีไว้ในหม้อแกงงานสักเพียงเท่าไหร่ก็ตามจะไม่รู้ว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดแกงจืดแกงหวานจะไม่รู้แต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับลิ้นกับแกงนี้จะจะรู้ทันที พอมีรถของแกงมาสัมผัสเพียงหยดเดียวลิ้นก็จะรับรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนดั <Yeah. S 1> งนั้นการฟังธรรมนี้ต้องฟังแบบลิ้นกับแกง <Yeah. S 1> จะเป็นลิ้นกับแกงได้ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจาที่สงบน <Yeah. S 1> ถ้ามีกายวาจาใจาที่สงบนี้อาจจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยก็ได้ ในสมัยพระพุทธการนีมีผู้บรรลุ ธ, ธรรมจากการฟังธรรมได้เป็นจำนวนมากแต่ต้องเป็นผู้มีกายวาจาใจาที่สงบจริงๆกายวาจาก็คือศีลต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ใจที่สงบก็คือต้องมีใจที่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเพราะใจที่เป็นอัปปนาสมาธินี้จะตั้งอยู่ ในปัจจุบันจะไม่ลอยไปในอดีตจะไม่ลอยไปในอนาคตจะต้องรับธรรมที่เข้ามาสัมผัสทางหู ท, ง ท, งทั้งหมดถ้าฟังแบบนั้นแล้วแล้วถ้าธรรมที่แสดงนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องร้อยเปอร์ซคือธรรมต้องออกจากการแสดงของพระพุทธเจ้าหรือของพระ อาลัสงสาวกเท่านั้นถึงจะเป็นธรรมแท้ถึงจะเป็นธรรมที่จะทําให้ผู้ฟังธรรมนี้บรรลุธรรมได้ในสมัยพุทธกาลนี้ผู้แสดงธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าผู้ฟังธรรมก็เป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิพอฟังด้วยใจกายวาจาใจที่สงบ ธรรมะที่ออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าก็จะพุ่งเข้าไปสู่ในใจทันทีจะทำให้ใจนั้นสว่างโพร่งขึ้นมาทันทีนะาะทำให้ใจของผู้ฟังนั้นมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมาทันทีเ ห, นเห็นสัจจเห็นสัจธรรมความจริงคือพระอริยรรสัจสี และไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวงผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ทันทีดังนั้นการฟังธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี้จะไม่มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองมีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ นอกนั้นนี้ต้องอาศัยการชี้แนะของพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์เท่านั้นถึงจะสามารถมีดวงตาเห็นธรม ร, ธรมได้บรรลุธรรมได้นี่คือประโยชน์ของการมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้เรื่องราวของเราว่าเราเป็นใครกันแน่ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะต้องแยกกันแยกทางกับร่างกายเราก็จะไปตามบุญตามบาปที่เราได้ทำไว้ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาป บุญก็จะดึงเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปสู่อบายไปสู่การเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือการไปอยู่ที่นรกเป็นนรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของพวกเรา ถ้าพวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอริยบุคคลถ้าเราเพียงแต่ทาบุญทาบาปเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกันยังไม่ได้มาเจริญจิตตภาวนามอเจริญสติสมาธิปัญญาจิตของเรานี้ยังจะไม่ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นทางของพวกเราที่จะไปข้างหน้านี้มีอยู่สามทางใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งไปอบายกันถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญสองไปสวรรค์กันถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปและทางที่สามคือไปพระนิพพานกัน ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของพวกเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเน้นคําว่าตายแล้วสูญนี้ไม่ได้เป็นความจริงเป็นความหลงเหมือนคนโบราณที่คิดว่าโลกนี้แบน โลกนี้แบนแต่ความจริงโลกไม่แบนโลกมันกลมแต่คนสมัยโบราณไม่มีวิชาความรู้ที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นโลกกลมมองไปที่ไหนก็รู้สึกว่ามันลาบไปหมดก็คิดว่าเป็นโลกแบนพวกเราก็เหมือนกันพวกเราตอนนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นจิตใจหรือเป็นจิตวิญญาณ<ม>ที่มาเกาะติดกับร่างกาย<ม>แต่ตอนนี้เราถึงแม้ไม่ได้ปฏิบัติเราก็โชคดีที่ได้พบกับคนที่ปฏิบัติมาแล้วคนที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวุกทั้งหลาย<ม><ม>ท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา เราคือจิตวิญญาณผู้สั่งร่างกายผู้คิดใจคือผู้รู้ผู้คิดทุกเวลาเราจะทำอะไรนี้เราต้องใช้ผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งเช่นวันนี้ก่อนจะมาวัดได้เราก็ต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้ทำอะไรดีเป็นวันหยุดไปวัดดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกาย ร่างกายไม่มีความคิดสมองคิดไม่ได้สมองไม่ใช่ตัวคิดตัวคิดคือตัวจิตใจแต่ตัวจิตใจนี่เรามองไม่เห็นกันแค่นั้นเองเราก็เลยไปบ่าว่าสมองเป็นผู้คิดสมองเป็นเพียงแต่ผู้ให้คำสั่งไปส่วนต่างๆของร่างกายให้ร่างกายขยับเขยื่อนได้เช่นให้ยกแขนยกขายกเท้า ให้ทำอะไรต่างๆได้อาศัยสมองเป็นผู้ประสาน mm. เป็นผู้สั่งการ mm. แต่ผู้ที่สั่งสมองอีกทีนี้คือใจ mm. ผู้สั่งสมองให้สั่งร่างกายให้ลุกขึ้นให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนนี้ mm. คือสมองแต่ต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนเช่นเราคิดคิดจะยืนเราก็สั่งไปที่ร่างกาย สมองก็สั่งให้ลุกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมองเกิดมีโรคเป็นอมพภาพอมภาตเป็นต้นถึงแม้ใจจะสั่งให้ลุกมันก็ไม่ลุกเพราะสมองไม่ทํางานสมองมีเส้นเลือดอุดตันทําให้กลายเป็นคนอมพภาพอมภาตไปน้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ จิตใจถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้จะเหมาว่าสมองกับจิตใจนี้เป็นอันเดียวกันจะคิดว่าจิตใจอยู่ในสมองสมองมเป็นจิตใจแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นถ้านั่งสมาธิจิตรวมแล้วจิตจะแยกออกจากร่างกายนี่คือ สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้<ม>เรื่องของเราเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้กับตัวเราบ้าง<ม>ตอนนี้ตัวเรากำลังเหมือนคนที่ติดคุกอยู่<ม>ติดในคุกของสังสารวัฏ<ม>คือคุกของการเวียนว่ายตายเกิด<ม>คุกของการเกิดแก่เจ็บตาย คุกของเรามีผนังอยู่สี่ด้านด้วยกันคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย mm hmm. พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ไม่ใช่เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้าย mm hmm. แต่เป็นครั้งที่แสนล้านพันล้านแล้วหมื่นล้านแล้วแล้วยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่หาทางออกจากคุกนี้และการที่จะรู้ทางออกได้ก็ต้องมีคนที่ออกจากทางออกจากคุกนี้ไปแล้วคนที่ออกจากคุกนี้ไปแล้วคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านี่อพอพระพุทธเจ้ารู้ทางออกจากคุกแล้วก็กลับมาสอนพวกที่ยยมติดอยู่ในคุกว่าถ้าอยากจะออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตาย ก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือต้องทำทานต้องรักษาศีลแล้วก็ภาวนาหรือต้องละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงแล้วสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือทางออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายที่พระพุทธเจ้า เป็นผู้แรกที่ได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้แล้วแล้วก็กลับมาสอนพวกที่ยังติดคุกติดตารางอยู่พอพวกที่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> แล้วมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามได้ <c oughs> ก็สามารถออกจากคุกตารางได้อย่างรวดเร็วเ <c oughs> อาอได้ในขณะที่ฟังธทมเลยพอบอกให้ละบาปก็ละแล้ว พอบอกให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็สร้างหมดแล้วพอบอกให้ชำระจิตใจก็ชำระทันทีชำระความโลภความโกรธความหลงพอชำระเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ได้ออกจากคุกทันทีนี่แหละคือเรื่องรล่าของพวกเราที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจา้า <c oughs> พวกเราก็จะดำเนินชีวิตไปตามอานาจของความหลงความหลงมันก็จะหลอกให้เราไปหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้กันไปหาลาบยศสรรเสริญ <c oughs> ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <c oughs> มีใครปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ได้หาสิ่งเหล่านี้มีใคร ปฏิเสธได้ไมว่าไม่ต้องการราบยศสรรเสริญ <Yes. S 1> ไม่ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัวตาปะเพราะเราคิดว่านี่คือการให้ความสุขกับเรานั่นเอง <Yes. S 1> แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว <Yes. S 1> เป็นความสุขที่จะหลอกให้เราติดอยู่ในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายเ <Yes. S 1> พราะถ้าเราติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้ <Yes. S 1> พอร่างกายเราตายไป ใจของเราที่ยังอยากจะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่และกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้พาเราไปหาลาบยศสารเสินสุขต่อไปดังนั้นถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพวกเรากำลังติดคุกกันและโทษโทษของการติดคุกคืออะไร เพื่อความทุกข์ต่างๆความทุกข์ใจต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> มีอยู่แทบทุกวัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ <Yeah. S 1> ไม่ทุกข์กับคนนั้นก็ทุกข์กับคนนี้ <Yeah. S 1> มีเรื่องให้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเ <Yeah. S 1> พราะตาบได้ถ้ามาเกิดแล้วห <Yeah. S 1> นีไม่พ้นเรื่องของความทุกข์ เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้เสมอไปถึงอันไหนเราอยากได้อะไรพอเราได้เราก็ดีใจไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความดีใจนั้นก็หมดไปแล้วความอยากจะดีใจใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหาใหม่แล้วพอเราหาไม่ได้เราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นม นี่คือความทุกข์ใจต่างๆที่เราจะต้องทุกข์กันเพราะชีวิตนี้มันไม่ได้เป็นกลีบดอกบัวไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกบัวมันมีทั้งขวางหนามด้วยบางทีก็ไปเหยียบกลีบดอกบัวบางทีก็ไปเหยียบหนามเข้าพอไปเหยียบหนามก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ<ม>เวลาได้สิ่งที่เรารักมาก็ดีอกดีใจ พอสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่คือผลของการที่เรามาเกิดมาติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องทุกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหลังจากตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเกิดใหม่หลังจากไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทําไว้แล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกันกิ่นรสกันใหม่เราก็จะเป็นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราทำมานานแล้วทำมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วแล้วจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อเราก็ต้อง ทำตามคำสอนของพระพุทธเจา้าเริ่มต้นด้วยการให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงและการและผู้สนับสนุนการกระทำบาป ก, <c oughs> การกระทำบาปของเรานี้มักจะมีผู้สนับสนุนผู้ส่งเสริม <c oughs> ผู้ส่งเสริมคืออะไรผู้ส่งเสริมก็คืออบายยมุคนี่ ถ้าเราไม่เสพอบายามุขนี้โอกาสที่จะทำบาสนี้จะน้อยกว่าผู้ที่เสพอบายามุก mm hmm. เพราะอบายามุกนี้จะทำให้เรานี้ไม่มีรายได้ mm hmm. มีแต่รายจ่าย mm hmm. อบายามุกนี้มีแต่การสูญเสียทรัพย์เงินทอง mm hmm. พอเงินทองหมดไม่พอใช้เราก็า จ, จะต้องไปทำบาปกัน ไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ทำบาปเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วนั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่พวะเจ้าทรงสอนก็คือให้พวกเราละ ก, การกระทำบาปและอบายามุกอบายามุกนี้ก็มีอยู่ห้าคือหนึ่งการดืม่มวรายาเมา 2. การเล่นการพนันสา การเที่ยวเตรสี่ความเกียดครานห้าการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะคนที่ชอบอบายมุขเขาก็จะไปเสพอบายมุขกันแล้วถ้าเราคบกับเขาเขาก็ต้องชวนเราไปเช่นถ้าเขาดื่มสุรายาเมาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรายาเมาถ้าเขาเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ถ้าเขาเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรถ้าเขามีความเกลียดค้าเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านถ้าเราไปทำตามเขาแล้วเราก็มีแต่จะเสียเงินเสียทองไม่มีรายได้ต่อไปพอเงินทองของเราไม่พอใช้เราไม่มีงานทำเราก็ต้องหารหายได้โดยวิธีที่ไม่ชอบนั่นเองไปลักไปขโมย ไปป้นไปจี้ไปโกโหกหลอกลวงตามที่เราได้เห็นตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดเกือบทุกวันว่ามีการป้นมีการจี้มีการฆ่ากันมีการแย่งกันอันนี้ก็เพราะว่าพวกนี้มักจะเป็นผู้ที่เสพอบายามุกกันเล่นการพ น, นันจนกระทั่งเงินหมดนี่ก็ต้องไปไปป้นร้านทองบ้างไป ไปเที่ยวเงินหมดเดินชซลาเงินหมดไม่ได้ทํางานพราะมีความเกลียดค้านเรา<ม>จะหาเงินได้อย่างไรถ้าไม่ไปหาเงินด้วยการกระทําบาป<ม>ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะทําบาปเราก็ต้องอย่าไปเสพอบายามุข<ม>อย่าไปคบกับคนที่ชอบเสพอบายามุขแต่ถ้าจําเป็นต้องคบก็คบได้แต่อย่าไปสนิท อย่าไปทำตามที่เขาชวนก็นแล้วกันเพราะบางทีเรายังต้องทำงานร่วมกันอยู่เราทำงานร่วมกับคนที่เขาชอบดื่มสุราชอบเล่นการพ น, นันเราก็ทำกับเขาได้แต่เวลาเขาชวนเราไปเล่นการพ น, นันเราก็อย่าไปถ้าเขาชวนเราไปดื่มสุราเราก็อย่าไปให้เรารักตัวเรามากกว่ารักเขาดีกว่า พอถ้ารักเสียเขาไม่เป็นไรแต่เสียเรานี่เราเสียตัวเสียตัวแล้วเราจะลำบากเสียเขาเราไม่ลำบากเราหาคนอื่นได้ในโลกนี้ไม่ใช่มีเขาคนเดียวโลกนี้มีคนเป็นล้านเป็นพันล้านคนจะหาคนใหม่คนมาเป็นเพื่อนไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปถ้าหาเพื่อนไม่ได้จริงๆหาคนดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยไม่ขาดทุน พระพุทธเจ้าสอนว่าให้หาคนที่ฉลาดคนที่ดีเป็นเป็นเพื่อนอย่าไปหาคนที่ไม่ดีมาเป็นเพื่อนแต่ถ้าหาคนฉลาดที่ดีไม่ได้<ม>ก็อยู่คนเดียวดีกว่าหัดอยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยจะไม่ขาดทุน<ม>หรือถ้าจะมีเพื่อนก็หาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเพื่อนดีกว่า เพื่อ น, นที่ดีที่สุดของพวกเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านจะสอนท่านจะชวนให้เราไปทําในสิ่งที่ดีเช่นมงคลสามสิบแปดเนี่ยลองไปอ่านดูอันนี้แหละเป็นคําชวนชมเป็นคําชวนของพระพุทธเจ้าอาเสวนาจะพาลานางังบันติตา น, านจัจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังกลมุตตะมัง อย่าคบคนง่ให้คบคนฉลาดให้บูชาบุคคลที่ควรต่อการบูชาคือผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นเองเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นต้นท่า น, นบุคท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากเราควรจะตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการให้ความเคารพนับถือยกย่องเทิดทูนเราจะทำให้ชีวิตเหล่านี้มีความสุข ใครเห็นเรามีความกตันอยู่มีความเคารพในผู้มีพระคุณเขาก็ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเรา <Yeah. S 1> ยินดีที่จะสนับสนุนเรา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนอากตันอยู่ <Yeah. S 1> เป็นคนเนรคุณ <Yeah. S 1> เขาจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้ายังไม่มีหาเพื่อนไม่ได้มาคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่า มาอ่านหนังสือธรรมะมาศึกษามงคลละสูดมงคล38ข้อเนี่ยจะพาให้เราชีวิตของเรานี้จากที่เราเป็นปุถุชนธรรมดานี้ให้กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาททำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้มงคล38ข้อนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนบันได38ขั้นสู่พระนิพพานนี่เองสู่ความสุขที่ ที่สุดยอดของความสุขทั้งปวง <Yeah. S 1> ดังนั้นอย่าไปคบคนที่ไม่ดีอย่าไปคบคนที่เสพอบายามุข <Yeah. S 1> ถือได้เลยว่าไม่ดีต่อให้ร่าให้รวยขนาดไหนก็ตามต่อให้สวยให้หล่อขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเสพอบายามุขแล้วนี้ในสายตาของนังนกปราชญ์ของคนฉลาดนี้ท่านถือว่าเป็นคนไม่ดี <Yeah. S 1> เป็นคนที่จะดึงให้เราไป สู่การกระทําที่ไม่ดีต่อไปได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นพยายามอย่าคบคนที่ชอบอบายามุข <Yeah. S 1> ให้คบบัณฑิตคบคนที่ไม่เสพอบายามุขเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นคนดีคนที่ไม่เสพอบายามุขนี้ <Yeah. S 1> เป็นคนดีมักจะเป็นคนที่มีศีลถ้าไม่เสพอบายามุขแล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลได้ง่าย yeah. เพราะว่าไม่มีความเดือดร้อนความจําเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองโดยวิธีทุจริตนั่นเอง mm hmm. เพราะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ mm hmm. เงินทองส่วนใหญ่นี้จะหมดไปกับการใช้กับอบายมุกดื mm ่ม hmm. สุราก็เสียเงิน mm hmm. เล่นการพนันก็เสียเงิน mm hmm. เที่ยวเตะก็เสียเงินความเกลียดข้านก็ไม่ได้ทําให้มีรายได้ mm hmm. ก็จะมีแต่รายจ่ายรายจ่าย mm hmm. พอมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องไปหา เงินโดยวิธีมิชอบนั่นเองแต่ถ้าไม่เสพบาบายมุกแล้วรับประกันได้ว่าจะมีเงินเหลือใช้เมื่อมีความมีเงินเหลือใช้ก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องไปหาเงินโดยมิชอบไม่ต้องไปโกหกหรอกลวงใครไม่ต้องไปรักขโมยเงินของใครก็จะเป็นคนดีเป็นคนมีศีล น, นี่คือสิ่งที่เราพระพุทธเจ้าสอนเราขั้นขั้นแรกถ้าเราอยากจะ พาจิตวิญญาณของเรานี้ให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราต้องละการกระทําบาปทั้งปวงให้ได้ละการเสพอบายมุกเพราะว่าถ้าเมื่อเราละได้แล้วนี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานเนี่ยเวลาเราตายไปอย่างน้อยเราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรก เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแล้วกลับมาทำความดีต่อไปได้ปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปได้<ม>ขั้นต่อไปก็คือให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมบุญชนิดต่างๆ<ม>ชนิดไหนที่เราทำได้ทำไปเลย<ม>ให้ทานได้ให้ทานไปเลย<ม>ให้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้ก็ช่วยเหลือไปเลย ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ทําไปเลยทําแล้วจะทําให้จิตใจเรามีความสุขทําให้จิตใจเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราต้องตายไปก่อนที่จะถึงนิพพานเราก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเป็นเทพเป็นนะไปอยู่สวรรค์เหมือนกับไปท่องเที่ยวต่างต่างประเทศเวลาตายไปก็จะไปเหมือนได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ จนกว่าบุญที่พาให้เราไปนี้หมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นสูงสุดถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งคือละบาปกลับมาชาติหน้าเราก็จะไม่ทำบาปอีกถ้าเราได้ขั้นที่สองคือได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆกลับมาชาติหน้าเราก็จะทำบุญต่อไปแล้วถ้าเราได้ทาขั้นที่สาม คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระอะไรสิ่งอะไรอะไรที่ทำให้ใจเราไม่สะอาด mm hmm. ก็คือกิเลสตัณหานี่ท่านเรียก่็เป็นเครื่องเศร้าหมอง mm hmm. ทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสทำให้จิตใจเราไม่เบิกบาน mm hmm. เวลาเราเศร้าวเวลาเราหดหูเวลาเราไม่มีความสุขนี่เป็นผลของกิเลสตัณหา mm hmm. คือความโลภความโกรธหรือความหลง<ม>งั้นเราต้องมาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจให้ได้<ม>การที่จะชำระได้เราก็ต้องมีเครื่องซักฟอกใจ<ม>เหมือนกับเวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าเราต้องมีสมัยนี้ก็มีเครื่องซักผ้า<ม>นอกจากมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ยังต้องมีน้ำ<ม>แล้วก็ต้องมีผงซักฟอก ถึงจะสามารถซักเสื้อผ้าให้สะอาดได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนเสื้อผ้าถ้าเราต้องการซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดเพราะสิ่งที่มันติดอยู่ในจิตใจนี้มันเป็นตัวที่พาให้จิตใจของเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เป็นตัวที่คอยดึงให้ใจของเรากลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราต้องซักฟอกจิตใจเพราะการละ บ, บาปการทำบุญนี้ยังไม่สามารถซักฟอกจิตใจให้สะอาดได้ตอนนี้คิดว่าเทวดากำลังผมน้ำมนต์ให้กันแล้วกัน <c oughs> นะไม่ต้องกลัวน้ำไม่ไม่มีพิษมีภัยอะไรน้า <c oughs> อาบน้าเปรีย ก, กันนี้ยังอาบได้ ซักผ้าเสื้อผ้าเปียกกว่านี้ยังซักได้ทําไมตอนนี้มีเทวดามาอาบน้ําให้มาซักผ้าให้ทำไมไปกลัวทําไมฟังไปใจจะได้สบายใจจะได้เย็นด้วยถือว่าอนุถือว่าเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญของพวกเราตั้งใจฟังต่อไปแล้วจะได้ไประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจร่างกายก็ได้น้ํำมนต์จากเทวดา เสื้อผ้าก็ได้รับการชำระจากน้ำของเทวดา <Yeah. S 1> ใจก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชำระใจ yeah. Yeah. เราต้องมาชำระใจของเราให้ได้ตอนนี้ใจของเรายังมีคราบสกปรกฝังอยู่ <Yeah. S 1> คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ดึงให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย เราต้องซักพอกจิตใจของพวกเราเราก็ต้องมีเครื่องซักพอก mm hmm. เครื่องซักพอกนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ผลิตให้กับพวกเรา mm hmm. คือสติสมาธิและปัญญานี่เองเพราะว่าศีลเรามีแล้วทานเราได้ทำแล้วศีลเราได้รได้จากการละการกระทำบาป mm hmm. ทานเราได้จากการทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม mm hmm. สิ่งที่เราขาดก็คือภาวนา การภาวนานี้ก็คือการชักซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องมีเครื่องซักพอกเครื่องซักพอกก็คือสติสมาธิและปัญญาดัางนั้นถ้าเราต้องการจะซักพอกจิตใจเราจำเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมา ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เหมือนกับเรามีเครื่องซักผ้ามีน้ำแล้วก็มีผงซักฟอกพอเรามีครบเครื่องเราเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องพอเครื่องซักเสร็จเสื้อผ้าก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใสจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราได้ซักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเป็นจิตใจที่ให้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขกับเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมาก่อกวนใจเราเลยดังนั้นหลังจากที่เราละการกระทำบาปได้รักษาศีลได้ละอบายามุขได้ทำบุญทำกุศลต่างๆได้ตามกำลังของเราขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญสติกัน มาฝึกสติให้ได้ให้มีสติให้ได้เพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทาให้ใจเป็นสมาธินี่สมาธิคือความสงบตั้งมั่นใจจะไม่สงบไม่ตั้งมั่นถ้าไม่มีสติตอนนี้ใจของพวกเรานี้ขาดสติคือมีสติแต่มีสติน้อยมากมีสติในระดับของการรักษาศีลมีสติในการในระดับของการทำบุญทำทาน แต่ไม่มีสติในระดับของการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธินี้เรายังหยุดความคิดของเราไม่ได้ความคิดของเรายังคิดเลื่อยเปยื่อยทั้งๆ ท, ที่เราอยากจะให้มันหยุดเพราะสติของเรามีกำลังน้อยกว่าใครเดือดร้อนอยากจะขยับก็ไม่ว่านะเดี๋ยวจะหาว่าบังคับแต่ใกล้จะจบแล้วล่ะเดี๋ยวก็เอกไม่นานนั่งฟังต่อไปเดี๋ยวก็ใกล้จะจบแล้ว แต่ถ้าทนไม่ได้จริงๆก็ขยับขยายได้นะไม่ไม่บังคับอะไรคือเราต้องมาสร้างสติกันให้ได้สตินี้เป็นผู้ที่จะมาหยุดความคิดนั่นเองถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบใจก็จะตั้งมั่นได้แล้วถ้าใจสงบใจตั้งมัน่นใจก็จะมีพลังมีพลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ พอเราใจมีกําลังมีสมาธิแล้วเราก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้มาชี้บอกเราว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือไม่ใช่กิเลส mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเราบางทีไม่รู้ว่าอะไรเป็นเป็นเหตุที่จะทําให้เราทุกข์ mm hmm. อะไรเป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ mm hmm. ต้องมีปัญญา mm hmm. ถ้าเราอยากได้สิ่งใดถ้าปัญญาเห็นว่า เป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดกันได้แต่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดแล้วมันทำให้เราเกิดความสุขมัญญาก็บอกว่าทำได้เช่น mm hmm. ถ้าเราอยากได้ความสุขที่แท้จริงถ้าอยากทำบุญนี้ทำได้อยากจะรักษาศีลทำได้ mm hmm. อยากจ ะ, ะนั่งสมาธิทำได้อยากจะฟังธรรมนี้ทำได้แต่ถ้าอยากไปเที่ยวนี้ไม่ได้ mm hmm. เพราะการไปเที่ยวนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจต่อไป อยากมีแฟนก็ไม่ได้อยากอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ได้เพราะความอยากเหล่านี้มันจะพาให้เราไปเจอความทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไปได้พอมันเสื่อมไปหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจงั้นเราต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะมาบอกเราว่า การกระทำแบบไหนเป็นการกระทำที่ทำได้การกระทำแบบไหนเป็นการกระทำที่ทำไม่ได้มเมื่อเรามีปัญญาแล้วและมีสมาธิที่จะตอบสนองคำสอนของคำสั่งคำสอนของปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เลยใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วก็จะไม่มีผู้ที่จะมาดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากการชำระด้วยสติสมาธิปัญญานี้เราเรียกว่านิพานนิพานนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่สถานที่นะเป็นใจของพวกเราที่เป็นอยู่ตอนนี้ใจของเราตอนนี้เป็นใจของสังสารวัฏเป็นใจที่เวียนว่ายตายเกิด แต่พอเราชำระด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่สิ้นสุดสิ้นกิเลสสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นความทุกข์ผู้ที่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วนี้จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขตลอด24ชั่วโมง นิบานังปรมังสุขขันธเพราะใจว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะทั้งปวงท่านถึงเรียกว่านิบานังปรมังสุญอย่งางความมืว่างนี้หมายความว่าเว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากโมหะอวิชช า, าว่างจากอาสวะที่เป็นสิ่งที่จะมาทําให้จิตใจเรา เศร้าหมองที่จะทําให้จิตใจเราทุกข์กันพอเราชําระจิตใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วใจของเราก็จะไม่มีเครื่องเศร้าหมองหลงเหลืออยู่ภายในใจอย่าไปคิดว่าคําว่านิบานังปรมังสุนยังหมายคำว่าพอใจบรรลุถึงนิพพานแล้วใจจะหายไปจะสูญไม่สูญคําว่าสูญ น, นี้คือใจที่ สูญจากโลภกดหลงสูญจากโมหะอวิชชาสูญจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ใจไม่สูญเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราไปซักเนี่ยพอซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าหายไปเลยหรือเปล่าเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่สิ่งที่หายไปก็คือสิ่งสกปปกคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าดันใดการซักฟอกจิตใจก็เหมือนกันพอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เราก็เรียกว่านิพพาน แล้วก็เรียกว่านิพพานเป็นเป็นใจที่ว่างใจที่สะอาดคำว่าว่างนี้ก็คือสะอาดจากปิเลตตันหาเครื่องเ่อ้ามองทั้งหลายนั่นเองอไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปคนบางคนกลัวเหลือเกินกลัวนิพพานนิพพานแล้วสูญปฏิบัติทําแทบเป็นแทบตายเพื่อที่จะได้สูญนี้ไปปฏิบัติมันทําไมพระพุทธเจ้ายัางอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตอนไหนตอนวันเพ็ญเดือนหก ตอนนั้นอายุสาสิบห้าปีใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิพพานไปแล้วแต่ท่านยังไม่ตายท่านยังมีร่างกายอยู่ไม่ได้สูญไปไหนใจก็ไม่ได้สูญร่างกายก็ไม่ได้สูญ <S S S 2> yeah. แลดวอย่างนั้นจะมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันตสาวกมาสั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราได้อย่างไร <Yeah. S 1> ถ้าท่านได้นิพพานแล้วท่านสูญ <Yeah. S 1> ต้องเข้าใจอย่าไปตื่นตระหนกเหมือนกระตายตื่นตูม บางคนมาพูดว่าโอ๊ยอย่าไปอย่าไปนิพพานนะไปนิพพานแล้วศูนย์เนี่ยพอเราไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ตกใจไปนิพพานแล้วศูนย์ไปทำไมใช่หไหมก็เหมือนพวกกระต่ายตื่นตูมเนี่ยก็ต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอลูกตาลหล่นลงมาก็บอกว่าแผ่นดินถล่มก็กระโดดกระจรเว่งศาสเตอร์เห็นข้าวมาถามว่าเป็นอะไรบอกบอกว่าแผ่นดินถล่มโอ้ยก็เชื่อก็วิ่งมันใหญ่ตาวิ่งตางกันใหญ่เนี่ย จนไปเจอราชสีเนี่ยราชสีถึงถามว่าเป็นอะไระนี้ก็ตายก็กลัวก็บอกว่าแผ่นดินถลม่มถล่มที่ไหนบังคับให้พาให้ไปดูที่ที่มันถลม่มกลับไปพิสูจน์ดูมันถล่มจริงหรือเปล่าพอไปเห็นจริงๆก็ไม่มีเลยมีลูกตาอยู่ลูกเดียวอยู่ตรงโคนต้นตาลเท่นั้นเองอย่งนั้นอย่าไปเป็นกระดายก็ตายตื่นตูมนะ เวลาใครก็บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะสูญไม่ใช่เป็นความจริงหรือตายแล้วสูญก็ไม่ใช่เป็นความจริงนี่ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตายแล้วยังต้องไปรับผลบุญผลกรรมต่อไปแล้วต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยู่เรื่อยถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยู่เรื่อยๆก็ต้องทําใจให้เป็นนิพพาน ทำใจให้สูญจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาพอสูญแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรที่จะพาให้จิตใจเราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปทุกขออ์ผิดต่อไปใจของเราก็จะอยู่กับความสุขไปตลอดใจของพระพุทธเจ้าที่จากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีตอนนี้ก็ยังอยู่ยิ่งแต่เราไม่สามารถติดต่อกับใจของพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นเองท่านอยู่กับความสงบอยู่กับความสุข ใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำละจิตใจให้สะอาดบริสุท์นี่แหละคือวิธีที่จะพาให้เราได้พ้นทุกข์กันได้พบกับความสุขที่ถาวรต่อไปอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเวหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกาปฏิอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปา จันโทปนะวะโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตระยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจจังวุทาปจายโน จตารโธมมาวทานติอายุวนโสุขังฮาลางช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่หลังจากที่เราเลิกแล้วก็ขออนุญาตนดตอบคำถามเพราะไม่สะดวกจะสะดวกในช่วงนี้นั้นไม่มีโอกาสที่จะถามเรื่องหลังใหม่ได้ต้องพูดกันหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าเป็นใครก็เขียนส่งใส่กระดาษใส่ข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโต323ิ32ท่านเจ้าค่ะเฟซบุ๊ก พอจอสุชาติอภิชาตโต64ยอดรวม387ท่านเจ้าค่ะ youtube 163ท่านวิทยุออนไลน์13ท่านซูวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะผู้รับฟังหน้ากุฏิวันนี้164ท่านรวมเป็น727ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคําถามก็เชิญอ่านได้เลยจ ะ, จะสอบถามเรื่องการภาวนาครับอาจารย์ อย่างถ้าเกิดภาวนาตั้งใจภาวนาโดยที่จะไม่ถอนออกจากการภาวนาไม่ทราบว่าทําที่บ้านดีหรือควรจะไปทำที่สถานปฏิบัติธรรมดีครับก็ทําได้ทุกที่ที่เราสะดวกเพราะว่าถ้าจะไปรอที่ที่ปฏิบัติธรรมเวลาที่ยังไม่ได้ไปก็จะไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติไปก่อนอาจจะได้ผลมากน้อยต่างกัน ก็ดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยเห็นถ้าเราอยู่บ้านเรายังไม่ได้ไปสถานที่ปฏิบัติธรรมเรายังต้องอยู่บ้านอยู่แล้วก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนแล้วถ้าเรามีมีเวลาที่จะไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมได้เราก็ไปปฏิบัติที่สถานที่ปฏิบัติธรรมต่อถ้าจะเปรียบเทียมก็คือถ้ารักษาตัวที่บ้านมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันก็จะเป็นอีกอย่างนึ เงินประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาตัวที่บ้านมันน้อยกว่าที่จะได้จากการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างใดการปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติที่บ้านนี้อาจจะไม่มีครูบอาจารย์ไม่มีสถานที่ที่ที่ดีที่สงบสงัดแต่ถ้าเราไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติก็จะมีครูบาอาจารย์มีสถานที่สงบ ที่จะทําให้การปฏิบัติของเรานี้ง่ายและได้ผลมากขึ้นแต่ก็ถ้าเรายัางต้องอยู่บ้านอยู่ก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนเหมือนถ้าเราต้องรักษาตัวเองยังไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็รักษาที่บ้านไปก่อนหายาสามันกินไปก่อนแก้ปวดหัวปวดท้องอะไรกินไปก่อนพอบรรเทามันไปแล้วพอเราไปโรงพยาบาลได้เราค่อยไปรักษาอีกทีหนึง่งงั้นปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคน เพราะการปฏิบัติอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราเพียงแต่ว่าสถานที่นี้มีผลต่อการปฏิบัติคือช่วยให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่ท่านนั่นเองมีคาถามจากคุณมารนะคะนั่งสมาธิบางครั้งหลับไปเลยก็มีหรือฟังทำอยู่ดีๆก็หลับไปเลยทำอย่างไรมันเหมือนจิตเบา คือจิตเรามีสติน้อยหรือนับทานอาหารมากเกินไปพออิ่มแล้วเวลาทําอะไรมันก็จะง่วงเฉะั้นถ้าจะฟังธรรมหรือเวลาปฏิบัติธรรมนี้ควรจะนับทานอาหารพอประมาณจะได้ไม่อิ่มเกินไปถ้ายังอิ่มอยู่ยังง่วงอยู่ก็ให้ลุกขึ้นมาเดินก่อนะเดินจงกรมไปก่อน อย่างนี้จะฟังทำพันโทรศัพท์มือถือก็เดินจงกรมไปฟังไปก็ได้เสียบหูฟังไว้แล้วก็เดินจงกรมไปแล้วก็ฟังไปก็จะไม่ง่วงจะไม่หลับเดินไปจนกว่ามีสติดีแล้วถึงค่อยกลับมานั่งใหม่หลวพอนะ่อคะก็ชอบฟังทับจากในซีดีอย่างเงี้ยในใในในในโทรศัพท์ ฟัง ท, ที่นี่ ไ, ไหนจะดีเหมือนกันเน่เพราะมันก็เป็นอย่างเดียวกัน ส, สะดวกตรงไหนก็เอาแบบนั้นได้ <Yeah. S 1> เพราะฟังที่นี่เขาก็อัดไว้ในซีดีเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ฟังก็ไปเปิดฟังได้ก็ได้ฟังเหมือนกันผม oh, นั่งฟังนอนฟังฟังมั่งหลับมั่งก็ได้ได้ได้มากได้น้อย <laughs> อยากได้ถามดูเรแก่ถ้าอยากได้มากก็อย่านอนนอนฟังจะเป็นยานอนหลับ อาเชิญถามกับนมาสการพระอาจารย์นะคะพูดใกล้ใลหน่อย อ, อ, อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติค่ะปกติเวลานั่งสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วค่ะเราก็จะเห็นตัวจิตที่เป็นตัวผู้รู้ตื่นอยู่ในตลอดเวลานะคะแต่แล้วก็เห็น บางครั้งอะคะ่ะเมื่อมีสภาวะอย่างเวลานั่งก็จะฟังฟังเทศไปด้วยนะคะตัวที่จิต ท, ที่ไปรับรู้เสียงของพระอาจารย์เวลาที่พระอาจารย์เทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ก็กลับมาวนอยู่ในตัวเองเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นความรู้สึกที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วก็วนอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าที่จะถอนตัวะคะ่ะอยากทราบว่าถ้านั่งอย่างนี้แล้วก็จนรู้สึกว่า พอแล้วจิตก็จะลืมตาขึ้นมาแต่ตอนนั้นสมาธิก็ยังอยู่ให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีหน่อยค่าว่าที่ทำอยู่เป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะคือถ้าจิตมันสงบมันมีความสุขแล้วมันอยู่เฉยๆได้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นผลที่เราต้องการก็ควรฝึกให้มันสงบให้มันมีความสุขไปเรื่อยๆ แล้วเวลาที่เราถอนออกมาจากสมาธิถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาเราก็พิจารณาร่างกาย<ม>หรือหรือพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้ที่เรายังเกี่ยวข้องอยู่เช่นลาบยศสารเสรญถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่เรายังต้องการอยู่เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อม ม, มีได้มีเสียมีเกิดมีดับ กับคนต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็มีมามีไปมีเป็นมีตายร่งางกายของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ตายได้เดี๋ยวก็เจ็บไายได้ป่วยได้พิจารณาสอนใจไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้กลัวอย่างอีกข้อนี้นะคะอย่างตอนที่อยู่ในสมาธิค่ะจิตที่เห็นเวทนาเกิดขึ้นนะคะก็คือมันก็คือแค่ดูรู้อยู่ว่ามีเวทนาอยู่ มันไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวนะคะก็จะเห็นแล้วก็บางครั้งก็จะดูว่ามันหายไปเมื่อไหร่หรือยังไม่หายอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ได้ไหมคะเห็นตัวเวทนาได้ถ้า<ด>เห็นเราใจเราเฉยเฉยไม่เดือดร้อนได้เช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันก็เือว่าใช้ได้เรียกว่ามีอุเบกขาแล้วก็ในบางครั้งะคะ่ะที่ไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมคะจิตมันไประ ล, ลึกรู้ถึง ระลึกขึ้นมาเองเกี่ยวกับเรื่องของอสุภะในร่างกายตัวเองอย่างเช่นเวลาที่ตอนเช้าตื่นมาไปทำงานเห็นตัวเองเห็นร่างกายตัวเองทำงานแล้วก็นั่งแต่งหน้าทาครีมจิตมันก็ระลึกขึ้นมาว่ามันพิจารณาไปะค่ะว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ค่ะคือเป็นการนึกคิดหรือว่ามันเป็นก็เป็นนึกคิดน่ยแล้วก็เรานึกคิดจนให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้ลืม แล้วต่อไปเวลาเราไปหลงกับความสวยความงามของร่างกายเราจะได้เอาคามนึกคิดนี้มาล้างความหลงได้ว่ามันสวยตอนนี้แต่ต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวไม่ว่าเป็นของไข่ก็ตามไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องแก่ลงไปอย่าไปทุกข์กับมันเวลามันเป็นอย่างนั้นต้องนึกต้องคิดอยู่บ่อย นลพอมันจะทุกข์ก็จะได้เอาบัเอาความคิดนี้มาดับความทุกข์ได้ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่าเราเผลอเราลืมคิดไม่ถึงลืมไปว่าเราต้องแก่ลืมไปว่าเราต้องร่างกายเราความจริงมันก็ไม่สวยงามสวยก็แค่เพียงผิวหนังนั่นเองถ้ามองเข้าไปข้างในมันก็มีแต่ของที่ไม่น่าดูอยู่เต็มไปหมด อันนี้ต้องพิจารณาร่างกายทั้งของเราและทั้งของคนที่เราไปรักไปหลงไปรักไปชอบด้วยมันจะได้ทําให้เราไม่ต้องไปอยู่กับเขาอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับใครแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหามีทุกข์ตามมาอยู่คนเดียวได้ดีกว่าจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องเห็นอสุภะของคนที่เราอยากจะไปอยู่ด้วยพอเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกแล้วมันก็ ไม่ไปดีกว่าไม่อยู่กับเขาดีกว่าเห็นของเราเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดเพราะร่างกายเรามันก็แค่โครงกระดูกแหองหุ้มด้วยหนังด้วยเนื้อภายในก็มีอวัยวะน้อยใหญ่ไม่มีอะไรสวยไม่งามไม่มีจะได้ไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทำผมมันก็เป็นความสวยภายนอกเป็นความสวยเรา คามจริงแล้วมองเข้าไปคนที่ฉลาดเขาเห็นแล้วจะให้แต่งตัวอย่างไรให้แต่งผมอย่างไรทาหน้าไงเขาก็เห็นว่าไม่สวยเลยเพราะเขามองทะลุผิวหนังเข้าไปมองเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นการพิจารณาสุภาที่ให้พิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมเพราะเรามักจะลืมเดี๋ยวพอเราไปเห็นคนหน้าตาดีเข้าประหลงรักชอบเขาขึ้นมาถ้าเราไม่ลืมมันก็จะนึกถึงสุภาษของเขาทันที ถ้าเราก็จะได้ไม่ไปหลงไปรักเขา mm hmm. เราจะได้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาที่มันเหงาเพราะเราอยากจะได้เขามาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนแต่ถ้าเราคิดถึงเขาเป็นกระดูกนี้เราก็ไม่เอาดีกว่า mm hmm. เราก็จะไม่มีความอยากได้เขามาเป็นแฟนเพะไม่มีความอยากความความเหงาก็จะไม่มีใจก็จะสงบ mm hmm. เหมือนจตอนที่เข้าไปในสมาธิ ยังเวลาไม่อยู่ในสมาธิก็หมั่นพิจารณาร่างกายหมั่นพิจารณาลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงเวลาเกิดก็ดีใจเวลาดับก็เสียใจถ้าไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่ทำให้เราเสียใจเวลาเขาดับถ้าไปยุ่งไปอยากาเวลาเขาดับจะทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจได้ค่กลับนะวสัยพิจาราุะ กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหลวเค่อยอ่านเจอเขาบอกว่าให้พิจารณาอาหารให้เป็นสิ่งปฏิกูลและถ้าเกิดว่าเรากินอาหารแล้วแบบว่าหลงไหลในความอร่อยของมันโทษมันจะผิดถึงขั้นว่าแบบเหมือนกับลงนรกหรือว่าไปเกิดไพบผูไม่ดีมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะอ๋อไม่หรอกคือ ถ้าเราไปหลงรสชาติหรือรูปของอาหารเราก็ต้องพยายามคิดถึงเวลาที่มันไม่น่าดูน่ากินเช่นตอนที่อยู่ในปากอยู่ในท้อง mm. เนี่ยเวลาถ่ายออกมาเนี่ย mm. พอเราคิดถึงอาหารแบบนี้ความอยากกินนอกเวลาเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องกินก็จะได้ไม่กินได้หยุดความหิวความอยากได้นั่นคือเป้าหมายของการดู แต่อย่าไปดูจนกระทั่งกินไม่ลงถึงเวลากินก็กินไม่ได้อแต่ถ้าเผลอเพลิดเพลินไปก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรมากใช่มไหมก็ไม่บาปก็เพียงแต่ทาให้เราอ้วนทําให้เรา <c oughs> ทําให้เราติดอาหารเวลาไปอยู่ที่ไม่มีอาหารกินก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ติดอาหารเรากินอะไรก็ได้มันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่มีปัญหากับเรื่องการกินอาหารแต่ไม่ถึงกับไปตกนรกหรอก นอกจากว่าเราอยากจะกินจนกระทั่งไม่มีเงินก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมากินนะถ้าไปทําบาปท่านนั้นมันถึงจะไปตกนรกได้แต่ถ้าเรากินเงินของเราเองซื้อมากินเท่าไหร่มันมันก็ไม่ไม่เกิดมไม่ทําให้เราไปไปอบายไปนรกแต่ที่เจะให้พิจารณาเพราะว่าจะได้สําหรับนักปฏิบัติเพราะนักปฏิบัตินี้กินมากแล้วมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจ แล้วก็มันจะปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเป็นนิวรณ์ก็ลองต้องพิจารณาว่ามันไม่น่ากินจะได้กินเหมือนกินย า, ากินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอก็จะกินไม่มากกินหนเดียวก็พอแล้วหนูอขออีกคําถามนะคะหนูรู้สึกว่าการไปเกิดไป น, นั้นเป็นนี่มันอาจจะดูยุ่งยากค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นสัมภเวสีนานๆนี่มันจะดีไหมคะ รู้สกวามันน่าจะอิสระลอยไปลอยมาแบบนี้ค่ะคือ ค, อควาว่าสามเวสีนี้ความจริงคือผู้ที่ยังต้องไปเกิดอยู่แล้วจิตของพวเราทุกคนว่าร่างกายนี้ตายไปมันก็จะไปเป็นดวงวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจบุญนอำนาบาป ท, ที่เราทำไว้แล้วพอบุญหรือบาป ท, ที่มันหมดกำลังลงมันก็จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุถึงนิพพานเราก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่การเป็นสัมภเวสีก็อยู่ในสภาพที่ดีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเป็นสัมภเวสีแบบไหนถ้าเรามีบุญเยอะถ้าเป็น เ, เทวดาก็ดีอ๋อเทวดาก็เรียกว่าสัมภเวสีใช่ไหมถ้าเป็นเปรตก็ไม่ดีเปรตมันก็จะมีแต่หิวโหยถ้าเป็นนสุรกายมันก็มีแต่หวาดกลัวถ้าเป็นนรกก็มีแต่เรื่องเครียดแค้น เพราเวลาเราตายนี่เหมือนกับเราเข้าสู่โลกของความฝันเราจะฝันดีฝันร้ายเนี่ยเวลาฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์เวลาฝันร้ายก็เรียกว่าอบายฝันร้ายเพราะความหิวหิวหิวเรื่องนั้นหิวกับอาหารหิวกับอะไรเนี่ยก็วพวกเปรตหรือพวกกลัวก็เป็นพวกกระสุนละกายฝันแต่เรื่องที่หวาดเสียหวาดกลัว แล้วพวกที่ฝันเรื่องฆ่าฟันกันเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทตาต่อตาฟันต่อฟันพวกนี้ก็เป็นพวกนาลกเนี่ยมันเป็นพอเราตายปุ๊บนี่เราเข้าสู่โลกของความฝันมันทีฝันดีฝันลาย อย่างนี้สัมภเวสีก็คืออย่างดีก็คือเป็นเทวดาเหมือนกับเทวดาที่เปจุติเป็นเทวดาบนสวรรค์อย่างนั้นไหมคะเด็กคนละแบบก็จะฝันว่าเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มีแต่รูปสวยงามเสียงเสีย ง, งน่าฟังอาหารหน่ากินอะไรต่างๆเนี้ยก็พวกเทวดาก็<ล>คือก็ฟังดูดีใช่ไหมคะอะดีแต่มันก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อมันก็เหมือนเหมือนกับเรานอนแล้วแล้วฝันดีแล้วเราทําบุญประเภทไหนถึงจะได้เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะ อ๋อไม่มันต้องกลับม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปบวชพระบวชชีนะน่ะอ๋อยังไม่อยากนิพพานแต่อยากเป็นแบบสัมภเวสีประมาณนี้ก็ทำบุญอย่าทำบาปรักษาสศีลห้าแล้วทำบุญทำทานอยู่แค่นี้ก็พอมีคำถามจากคุณนิกิมาคินะคะฆ่าคนในเกมบาปหรือไม่คอมพิวเตอร์เป็นเกมต่าง แต่มีเกมทหารฆ่าศัตรูหรือเกมต้องฆ่าคนไม่ทราบว่าเล่นเกมนี้บาปหรือไม่ครับขณะเล่นใจก็รู้ว่าเป็นเกมแยกแยะออกว่าอะไรคือเกมอะไรคือจริงยังไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของออมโนภาพเท่านั้นเองเป็นเหมือนอยู่ในโลกของความฝันมันจะบาปต่อเมื่อเราไปฆ่าคนจริงๆ แต่มันเล่นแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะมันจะบูกฝังจิตใจให้เหี้ยมโหด <c oughs> แล้วพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงที่คล้ายๆกันก็อาจจะไปทําตามที่เราเคยได้ได้ดูได้ได้ดูไ ด, ไ, ดดได้ทําในเกมก็ได้ <c oughs> เห็นก็อยา่าอย่าถ้าจะดูเล่นเกมเล่นเกมแบบทําบุญดีกว่าไม่น่าคนน่าจะทําบุญเอาเกมแบบทําบุญเกมแบบรักษาศีลมาให้เล่นมั่งดีกว่านี่จะเอาเกมแต่คาฟันกัน เพราะมันเป็นการเสียมสอนนั่นเองเสียมสอนให้จิตใจโหดโหดเทียมทารุนจริงต้องสอนให้คนให้อภัยต้องให้ความเมตตาต่อกันแล้วเวลาเจอเหตุการณ์จริงมันก็จะได้ทำได้อ่าคือจะมาขอพูดใกล้กาปากดังๆหน่อยเจะามาขอกรรมาฐานพระอาจารย์นะครับผมพอดีเหมือนทำแล้วมันท้อครับมันมัน ก็พุโทโธนี่แหละท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปทั้งวันเี่ยเวลาใจคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็พุโทโธพุธโทโธไปหยุดความคิดอ hmm. ดีที่สุดง่ายที่สุดง่ายอันนี้ง่ายที่สุดแล้วพุโทโธอย่างเดียวนี่แหละอย่าไปคิดอะไรพ oh. อใจไม่คิดแล้วใจจะว่างจะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะมีความสุข ข, ขึ้นมาจะมีกําลังมีพลังขึ้นมาอ oh. นะลองท่องดูลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเลย อาน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธไปกินอาหารก็พุโทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดให้เรื่องหนักอกหนักใจต่างๆอแล้วใจจะว่างจะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะมีความสุขนะครับผมผมันอันนี้ง่ายที่สุดใช่ไหมง่ายที่สุดดีสุดน้องปู่ม่นสอนเนี่ยเช้าเขาเห็นท่านเดินจงกลมก็คิดถามว่าท่านกำลังหาอะไร หลวงปู่มัน่นท่านบอกกำลังหาพุโทโธชาวขาวก็ถามผมช่วยหาได้ไหมได้ทำยังไงตัองพุโทโธพุธโทโธไปท่านสอนให้เจริญพุทโธเจริญกรรมฐานโดยที่เขาไม่รู้ตัวท่านาก็ตัองพุโทโธพุธโทโธไปใจเขาก็จะว่างจะเย็นแล้วเขาจะแปลกใจเฮ้ย ใ, ใจของเราทำไมเดี๋ยวนี้เบาสบายขึ้นมา แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องน ะ, ะแล้วเวลาทําอย่าไปหวังให้มันเกิดอย่าเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิ ด, ม ไ, กดไม่ได้อย่าไปอย่าไปหวังผลอย่าไปคิดถึงผลให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเวลามันได้กำลังแล้วมันจะว่างจะเบาจะเย็นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ครับขอบคุณครับมีคำถามจากคุณมะลิค่ะขณะที่ยังมีสติตั้งมั่นกับงานภารกิจ แล้วบังเอิญเจอเจอคนที่เรามีความรู้สึกดีด้วยขนาดนั้นก็ให้เกิดอาการกระเพื่อมในระหว่างอกและต่อ ด, ด้วยการเผือดผืออืดผาอ ม, มขึ้นมาเป็นอาการจิตหรืออาการของกายเจ้าค ะ, ะก็ให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงก็แล้วกันเป็นอนิจจังอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้อย่าไปทุกข์กับมันปล่อยมันไปอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปหยาก ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับตอนนี้มันดับไปแล้วก็แล้วมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแต่ถ้ามันเป็นบ่อยๆใจกระทั่งลำคาญก็อาจจะต้องไปหาหมอถ้าได้รู้ว่าเป็นทางร่างกายหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นทางจิตใจมันจะเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับพอจากสมาธิปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปเฮานะท่านก็ถ้าพิจารณาได้ปั้นด้วยปัญญาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพอมันดับแล้วก็จบ พอมันมาก็เฉยๆไปรู้ว่ามันเป็นอนิจจังหรือว่ามันเป็นดานัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้คําถามจากคุณณภศรการดับกิเลสด้วยสติกับการดับกิเลสด้วยปัญญาขอกราบพระอาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆพร้อมยกตัวอย่างด้วยก็ได้เจ้าค่ะ ดับด้วยกิเลกก็ดับแบบชั่วคราวยังไม่ตายดับด้วยปัญญาก็แบบตายอย่างถาวรคือเหมือนกับถ้าดับด้วยสติก็เหมือนหินทับหญ้าเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกเดี๋ยวงยหญ้ า, ามันก็เจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ถ้าถอนถ้าถ้าดับด้วยปัญญาก็เหมือนกับถอนรากของหญ้า ถอนรากของหญ้าออกจากดินแล้วทีนี้หญ้านั้นก็จะตายจะไม่มีวันงอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะถอนกิเลสอย่างถาวรก็ต้องถอนด้วยปัญญาด้วยไตร ล, ลักษณ์เห็นอะไรเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้ทันทีเห็นแฟนเป็นทุกข์เห็นแฟนมันอสุภาษนี่ก็จะไม่อยากได้ทันทีอันนี้ด้วยปัญญาถ้าใช้ด้วยสติเวลาอยากจะได้แฟนก็พุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพอจิตสงบก็ลืมเรื่องแฟนไปชั่วคราวเดี๋ยวพอออกจากสมาธิมาพอไม่มีสติเดี๋ยวก็คิดถึงแฟนอีกมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่เหตนถ้าอยากจะดับอย่างถาวรต้องดับด้วยปัญญาดับด้วยใจรัก์ดับด้วยอัศวะถ้าเป็นอาหารก็ดับด้วยปฏิกูลเห็นอาหารเป็นปฏิกรูแล้วมันจะไม่หิวไม่อยากกินอาหารถ้าจะกินก็กินแบบกินยาไป คำถามจากคุณใบค่ะทําไมต้องให้พระสวดอภิธรรมในงานศพเจ้าคะ่ะอ๋อมันเป็นพิธีที่ชาวบ้านจื้อเราทำกันขึ้นมาเองความจริงไม่มีความจําเป็นเลยต้องสวดพระความจริงไม่เกี่ยวกับงานศพเลยนี่ญาติโยมเด้งพระมาเกี่ยวข้องเองเท่านั้นเองความจริงงานศพก็คืองานเผาศพเมื่อเผาศพมีฟืนมีไฟก็จบไม่ต้องมีพระใช่ไหม ทีนี้เขาก็อยากจะมีพระเขาก็เลยจัดให้มีพระพระมาจะนั่งเฉยๆมันก็ไม่ดีก็ต้องสวดอะไรไปสวดไปญาติโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีสวดไม่สวดมันก็เหมือนกันแลมันก็เลยเป็นเพียงพิ ธ, ธีกรรมไปทั้งเหนงไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับการเผาศพเลยถ้าม่มีพระมาสวดแล้วไม่มีไฟไม่มีฟืนงานศพก็ไม่สําเร็จอยู่ดี งานศพ ส, สาเร็จได้เพราะมีฟืนมีไฟมีเมนมีผ้ามาสวดสวดไปจนมันตายศพก็ไม่ศพมันก็ไม่กลายเป็นที่เท่าไปได้เนี่ยมัน ม, มันไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะต้องมีพระเนยเรื่องกับงานศพไม่ต้องมีผ้ามาสวดแต่เป็นธรรมเนียมที่ทํากันมาเชื่อกันมาว่าจะช่วยให้คนตายได้ไปสวรรค์ความจรงิงคนตายนี่ทําบุญให้เขาไม่ได้แล้วเวลาเขาตายไป เราต้องทําเองหลวงตามหมาบัวท่านถึงสอนอยู่เรื่อยว่าอย่าอย่ามากุศลาตอนที่เราตายแล้วนะอย่าไปนิมนต์ภาพมาสวยกุศลาให้เรากุศลาก็คือบุญกุศลเนี่ยกุศลาก็คือกุศลต้องทําตั้งแต่เรายังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วมาทําบุญแล้วส่งไปให้เขาส่งไปได้ก็ น, นิดเดียวหนึ่งในร้อยเหมือนน้ําที่ค้างอยู่ในแก้วหลังจากที่เราดื่ม น้ำหมดแก้วแล้วยังมีเศษน้าอยู่นั่นแหละคือบุญอุทิศได้เท่านั้นเองงั้นถ้าอยากจะได้น้าเต็มแก้วต้องทำตอนที่เรายังไม่ตายทำบุญตั้งแต่ตอนที่เราไม่ตายจะได้ร้อยเต็มร้อยแล้วเวลาตายเอาไปได้ทั้งร้อยเลยแต่ถ้าไม่ได้ทำให้คนลื่นทำให้ก็ได้แค่หนึ่งในร้อย คำถามจากคุณพันสวัสด์ขันเม่กราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราปฏิบัติจิตภาวนาการทำสมาธิถึงขั้นอั ป, ปนาจะต้องทำจนชำนาญเข้าออกได้ตลอดเวลาถึงจะออกไปพิจารณาทางด้านปัญญา ถ้าหากไม่ชำนาญแล้วเร่งรีบออกไปพิจารณาทางปัญญาจะเป็นการข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติจิตภาวนาหรือเปล่าครับและอาจและอาจจะไม่ได้ผลไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าถ้าสมาธิยังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนคนที่ยังกินข้าวไม่อิ่ม คนกินข้าวไม่อิ่มให้ขึ้นไปชกมวยเดี๋ยวก็โดนคู่ชกชกเอาแต่ถ้าจะให้ชกชนะต้องให้นักมวยกินข้าวให้อิ่มก่อนให้มีกําลังวางชาก่อนพอมีกําลังวางชาที่พะขึ้นไปชกกับคู่ต่อสู้ก็จะได้มีกําลังสู้กับคู่ต่อสู้ได้ต้องมีอั ป, ปนาสมาธิไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกมาก็ยังต้องสงบเหมือนกับอยู่ในอั ป, ปนาสมาธิยังมีอุเบกขาอยู่ ใจยังเฉยต่อความรักชังกลัวหลงอยู่อันนั้นแหละถึงจะสู้กับกิเลสได้ถ้าออกมายังมีรักอยู่เดี๋ยวเห็นอะไรชอบก็อ่อนใจละอยากได้ขึ้นมานะอยากแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุดความอยากต้องเอาให้ได้ก็เลยฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าความอยากไม่ได้แต่ถ้าจิตมีอุเบกขาแล้วพอพิจารณาเห็นว่าเป็นตาักแล้วก็ไม่เอาความอยากก็จะไม่ไม่เกิด คำถามจากคุณเคสเบอร์รีเอ็มกราบในมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกรณีที่คนตั้งใจจะไปทําบุญทอดกระถิ่นแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือเขาประมาทแต่ในพุทธศาสนามองได้ไหมคะว่าคนที่ตั้งใจไปทําบุญทำไมเขาถึงไปทําบุญไม่ถึง ก็เพราะไม่ถึงเวลาของเขาเนี่ยเขาถึงเวลาตายไม่ใช่ถึงเวลาทําบุญ mm hmm. นั้นก็เป็นเรื่องของวาระโอกาสท่านนั้นเองไม่เกี่ยวข้องกับอะไรว่าเราตายได้ทุกเวลานาทีทําบุญได้ทุกเวลานาทีทําบาปได้ทุกเวลานาทีนั้นอยู่ที่ว่าถึงเวลานั้นจะทําหรือไม่ทำอย่างตอนนี้มีเวลาทําบุญมันไม่ทํำกันจะไปทําตอนที่จะตายนี่ยมันก็ทําไม่ได้ mm hmm. ฉันได้รีบทำบุญเสียเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เจ้าค่ะคำถามจากคุณบีนี่อยากถามหลวงพ่อว่าหนูชอบการช้อปปิ้งค่ะและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะๆแต่ก็พยายามมีสติและห้ามใจไว้ไม่ซื้อเกินความจำเป็นค่ะการซื้อของบ่อยๆเป็นกิเลสและบาปใหม่คะก็เป็นความโลภแต่ยังไม่บาปถ้าใช้เงินของเราเอง ถ้าไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อถึงจะเรียกว่าบาปวิธีที่จะแก้กความโลภแบบนี้ก็คือถามตัวเองว่าของที่อยากได้นี้มันจำเป็นไหมถ้าไม่ได้มันมาแล้วจะตายไหมออถ้าตายก็ต้องซื้อมาออแต่ถ้ามันไม่ตายก็ไม่ต้องซื้อมาออถามนี้มันถึงจะแก้กความโลภได้ต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาออถ้าของที่ได้มาแล้วมันไม่ได้มาเราก็ไม่ตาย ได้มาแล้วได้มาแล้วเสียเงินไปเสียไปทำไมสู้อย่าได้ดีกว่าออใช้เหตุผลแล้วมันก็จะหยุดความโลภได้ออคำถามจากคุณเคนจิโร่ไก่ผมอยากทราบว่าเวลาเราเกิดจิตที่มารวมกับร่างกายมาตอนไหนครับหรือมาวันแรกที่ร่างกายปฏิสนธิวันแรกหรือเปล่าครับ ความจริงเราก็ไม่รู้แต่เพียงแต่รู้คร่าวๆว่ามันต้องมีสามส่วนมามามาครบองค์มีพ่อมีของพ่อมีของแม่นล้วก็มีของเราพอมีสามส่วนปับ๊บมันก็ครบองค์สงก็เปิดประชุมได้มันก็ทำให้เกิดปฏิสนธิขึ้นมาได้เพราะถ้ามีแต่ของพ่อของแม่ไม่มีจิตมันก็ยังปฏิสนธ่ไม่ได้ เพรตอนไหนท่านเราไม่รู้แต่มันต้องตอนที่มันครบองค์ตอนที่ส่วนของพ่อกับส่วนของแม่และส่วนของเรามาพบกันพร้อมกันเมื่อพร้อมกันเมื่อไหร่ร่างกายก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจริญเติบโตขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณน้ําครึ่งแก้วธรรมชาติทําไมบางคนสมาธิถึงเสื่อมเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรเจ้าคะเพราะสติหมดกําลังไงสติก็เป็นเหมือนน้ามันไง ถ้าเราเติมน้ามันรถแล้วเราขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็หมดถ้าอยากจะให้รถวิ่งต่อไปได้ก็ต้องเติมน้ามันใหม่ถ้าสติถ้าสมาธิเสื่อมมันก็เราก็ต้องเติมสติกันใหม่พุทโธพุทโธกันใหม่นั่งดูลมหายใจกันใหม่เดี๋ยวมันก็สงบใหม่ขึ้นมาได้คำถามจากคุณอัชราคงสุขน้อมกราบเจ้าค่ะคนเกลียดกันขาดอภัยให้กัน แต่ชอบใส่บาตรให้ทานสงสัยเข่าใจบุญหรืออกุศลคะความรู้สึกดีที่มีให้เขาแต่เขาไม่เปิดรับค่ะชอบนินทาให้ร้ายโมุสาเก่งคนแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะสงสัยขาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ครึ่งดีครึ่งชั่วงนีส่วนที่ดีเขาก็มีส่วนที่ไม่ดีเขาก็มีเหมือนกับเราเนี่ยในตัวเรานี้ไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดเนี่ยมีแต่เรามองไม่เห็น พ่ธรรมชาติเรามักจะมองความไม่ด e. ีของเรามองไม่เห็นเรามักจะมองความไม่ด so ีของคนอื่นเห็นชันเลยถ้าคนไหนไม่ดีความความชั่วของคนอื่นนี้แม้เท่าผงธุลีก็เหมือนกองภูเขาแต่ความชั่วของเรานี่แม้จะเท่ากองภูเขาก็เหมือนผงธุลีเราก็เลยชอบหลอกตัวเองว่าเราดีแล้วมองคนอื่นก็จะว่าเขาชั่วแต่ความจริงเขาก็มีดีบ้างมีชั่วบ้าง หรือบางวันละเรามองไม่เห็นการทำความดีของเขาก็ได้เราไปเจอตอนที่เขาไปทำความชั่วเราก็เลยคิดว่าเขาชั่วย่น้อย่าไปอย่าไปตัดสินว่าคนนั้นดีหรือชั่วแบบแบบดูกันครั้งเดียวโบราณท่านถึงสอนว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา ต้องใช้ใช้เวลาดูคนคบใครใหม่ๆเขาจะสวยจะหวานจะงามไม่หมดแล้วก็ดูไปต่อไปชวนไปดันขึ้นภูกระดิงมันดูน่หน่อ ย, ลย <c oughs> แล้วดูว่ายังจะยังจะดียังจะใจดีอยู่หรือเปล่าคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วธรรมชาติบางทีขนาดท่องคำว่าสังโคไว้ในใจก็ท่องอยู่แต่มันก็งกเจ้าค่ะ เหมือนจะตรงไปข้างหน้าเจ้าคะ่ะแต่ก็บริกรรมอยู่ลุกขึ้นมาเดินเลยถ้านั่งแล้วมันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพุทโธธรมโมสังโฆไปคําถามจากคุณน้ําครึ่งแก้วการรักษาศีลห้าจำเป็นต้องสะกดตัวรอเรือรอลิงให้ชัดเจนทุกครั้งใหม่เจ้าคะ่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นการรักษาศีลห้าศีลห้าไม่มีตัวรอเรือต่อรอลิงนะศีลห้าคือการกระทําทางกายทางวาจาของเรา ถ้าพูดปดหรือโกหกนี่นก็มันก็ขาดศีลแล้วถ้าลักทรัพย์ของผู้นี่นก็ขาดศีลแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตั ว, ต, วตัวอักษรตัวอักษรเป็นเพียงชื่อของศีลตัวศีลเองนี้มันไ ม, ม่มันไม่ต้องมีชื่อมันไม่มีชื่อเราไม่ตั้งชื่อให้มันเองเพื่อเราจะได้คุยกันรู้เรื่องทั้งเองแล้วถ้าเราเถียงพี่เราจะบาปไหมเจ้าคะของการเถียงกันไม่บาปหรอกเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นเอง แต่ถ้าลามปาไปถึงด่าพ่อด่าแม่อนี้ก็เป็นคำหยาบนะก็เริ่มเป็นอกุศลแต่ยังไม่บาปถ้ายังพูดความจริงอยู่จะบาปก็ต่อเมื่อเราพูดปดกล่าวรายเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นอิงถึงจะเรียกว่าเป็นาการพูดปด ใชค่ะแล้วถ้าเพื่อนแกล้งเราล้อเราเราควรโต้อตอบหรือควรทําตัวเฉยๆควรยิ้มหรือทําหน้าเฉยๆแล้วเวลาแกล้งเราเจ้าค่ะถ้าเราเฉยได้ก็ดีที่สุดอย่าไปยิ้มยิม้ไปยิ้มเดี๋ยวยิ่งยุให้เขาทําเรามากขึ้นอีกองนั้นทําใจเฉยๆหรือทําใจให้เหมือนกับว่าหน้าหน้าน้าสงสารดีกว่าเขาจะได้เขาจะได้เลิก ทำตัวเราทรมานอย่งู้นอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นแล้วสงสารเราเขาจะได้หยุดหมดแล้วเจ้าค่ ะ, ะหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถาม ไ, ไหมตรงนี้มีมีอถามไดม้สงสัยว่าคือสงสัยว่าเอาเราไม่ทําบาปเช่นว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วเราก็เอาสัตว์ตัวเนี้ไปปล่อยที่อื่นเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่าไมบาป แต่เราเอาสัตว์นี่ไปปล่อยที่อื่นทําความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ไปปล่อยที่มันไม่ให้มันคนเดือดร้อนใชก็มันก็ไม่มันที่มันมีต้องเยอมันก็มีเท่านี้ก็ต้องขับรถไปต่างจังหวัดเอาไปทุ่งนาทุ่งไร่เอาเช่นเช่นเช่นเราจับหนูที่บ้านเราแหมเราก็ไม่ฆ่ามันเพราะเรากลัวบาปเราก็จะแย่งเอาไป สักหน่อยหนึ่งไปซอยหน้าแล้วก็ไปปล่อยอย่างเงี้ยไปทําคดีเล่าคนอื่นอย่างเงี้ยเรียกว่าเราเห็นแก่ตัวปะก็น่าจะเห็นแก่ตัวนะเออแล้วเราจะทํำยังไงเราเราจะเก็บเอาไว้เราเราจะฆ่ามันเราก็ว่านั่งรถออกไปนอกเมืองไปไปสวนลุมก็ได้ไปที่ไหนที่มีที่ไม่มีบ้านคนอ่ะสวนลุมก็จะเขาเอาปล่อยเจ็ดแฉเอาหมามาปล่อยวัดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละไม่ควรเอานาเาปล่อยวัดคือว่าแหมเราไม่อยากฆ่ามันจง เขาปล่อยที่โยนขี้ให้คนอื่นเขาเรียกว่าโยนขี้ให้คนอื่นก็นั่นสิครับมันก็อยากขี้ยนให้เขาเสร็จเก็บไว้หลังนี้เลยกลายเป็นบาปอีกไม่ฆ่าแต่ก็บาปใช่ไหมใช่ก็ต้องใชถ้าอยากจะทําความดีมันก็ยากอย่างนี้อยากทำงวันดีก็ต้องไปหาที่ปล่อยหรืออย่างงเช่นเราจับเห็บหมาอย่างเงี้ยเราก็แหม่ฆ่ามันก็บาปเราก็เอาใส่กระป๋องแล้วเราก็ไปทิ้งที่สวนสาธารณะ ไอเห็บนั้นก็ไปขึ้นที่หมาตัวอื่นอ่าอันนี้ก็เรื่องสุดวิสัยแล้วล่ะช่วยไม่ได้เราเราเราเห็นการตัวคือฉันไม่อยากบาปไม่เหรก็ไปปล่อยที่เราคิดว่าไม่มีหมาทิมันไม่มีในโลกนี้ไม่มีงั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วเราจะทํายังไงก็ก็ต้องทําตามที่เราทำนั่นแหละทําไงมันไม่รู้ทําบุญหรือทาบาปยังงงเลยอก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปคืออยู่ที่ตรงนี้ถ้าจะฆ่าแกแล้ว เลยเห็นแค่ตัวโอ๊ยไม่ได้จนบาาอะไรโอเคนะต อ, อะนนี้ก่อนนะสงสัยมานานแล้วขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดทำมุญมันยากทำบาปมันง่ายนะโลกนี้ <laughs>